เตรียมพร้อมหลังจากดื่มพักเดือนน้ำปัสสาวะเตรียมพร้อมแล้วที น, นที้มีสองงานงานหพดเรื่องโลกงานหนื่ดเรื่องธรรมดูโลกกับธรรมพูดถึงโลกก่อนอะไรเราเชิน พระรูปของเสด็จนางเจ้าพระบรมราชินี้จุดิินตาอันนี้วังคายเป็นประโสนิปปองคันเ่อเป็นคนคนมีบุญเกิดท้ายอดียวลวงพ่อเจ้าอันนี้คือสิ่ง น, นี่คือรเรื่องแรก เร่องี่สองกเรื่องทำทีนี้รรเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้ว พ, พระอริยะสงฆ์ต้องย้ำว่าพระอริยะสงฆ์ทุกครั้งอย่างั้นเราจะติดในการคำว่าพระสงฆ์ซึ่งคำว่าพระสงฆ์วันนี้หลายท่านอาจจะรู้ค่าแล้ว แม่ก็พรุ่งนี้านปาจิิชื่อดังเราไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามเดือนที่แล้วก็เดือนใก่โตครั้งหนึ่งแล้วจะเทือนวงการวันนี้ก็จะเทือนวงการพออัดหลายคนอัจยังไม่ได้ทราบค่าก็โปรดติดตามตอนต่อไป อันนี้คือพระสงฆ์คือสมมติส่สมครูสงฆ์โดยสมมติเราไปว่าอะไรมากมายไม่ได้เพราะนั้นสงังฆทานังพระเจ้ามิท่านหมายป็นพระอริยะสงฆ์ชสวดที่สงฆ์าว่ากันไปวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ ถ้าจะบอกให้เต็มปากเต็มคำก็คือวันภาษาใช่้ามก็คือวันพ่อเป็นวันพ่ อ, อ, อ เ, เ, เพ่เอเราเคยเปรียบเทียบให้คังอยู่เส ม, มอวาพูดทางทำบังส้ำคัง้งกำังกระฉามนี้ถ้าเปรียบแบบเก่ามังง่ายๆฟังง่าย บ, บานๆปืนๆเรื่อไปเวให้เข้าใจง่ายขึ้น สังคมริ่มต้นจากครอบครัวก็คือบ้านจากบ้านก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านก็เป็นตำบลตำบลอำเภอจังหวัดภาประเทศทวีปโลกเดี๋ยวจุดริ่มต้นคือครอบครัวการครอบครัวไหนที่ใส่ใจธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจเรื่ศาสนาเป็นครอบครัวที่อบอุ่น พลังกับวันนี้ก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าครอบครัวที่อบอุ่นเขาครอบครัวมาถึงบ้านพ่อแม่ลกูกนีน้คนที่อยู่ในบ้านก็คือพ่อคือแม่คือลูกพ่อก็คือพระเจ้าอุตังพลังกายนี้ นี่คือต้นแบบน่คือพ่อของเราแม่ก็คือธรรมังสังคัชานี่ก็คือเป็นต้นแบบเป็นบ่อ เ, เปิดหรือว่าแม่ทางพ่อและแม่ก็มีลูกก็คือพอระสงฆ์นี่สังฆบังสันนชานีก็เป็นทายาททายาททางธรรมก็เป็นทายาทที่ดีด้วยนะทายาที่ดีต้องเชื่อฝังพ่อแม่ พ่อคือครูที่้าต้องเชื่อฟังครที่เจา้าเชื่อแม่คือพระธรรมคือเคารพถ้าโลูกไม่ฟังพ่อแม่คือพระพุทธคือพระธรรมประสงค์นี่แหละทําตัวไม่นา่ารักไม่เชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่เพราะนั้นยุบเราหลังจากมนคําว่าพ่อแม่ครูบาจาะในคนเดียวกันในองค์เดียวกันรวมเป็นองค์เดียวกัน เมื่อทเราเข้าใจตรงกันเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์และองค์เดียวกันเราจะเข้าใจว่าตอนนี้พ่อโดยรูปแม่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วมีต่นานเราจับต้องได้ยากเข้าใจได้ยากก็หเหลือแต่รูปคือศาสนาทางญาตคือทางญาติคือธรรมะทางญาตที่สืบต่อได้มาเล่าสู่ผู้เราฟังก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สืบต่อๆกันมาพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละผู้แต่ละองค์แต่ละนามก็จะมานั่งพูดคุยให้เราฟังได้มันไป่ใช่แค่วันสองวันแต่ละองค์เขแรกมาด้วยชีวิตในหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ก็จะมายืนแถวหน้าูดจาให้เราฟังได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ความจริงมันก็ไม่ง่ายเพราะนั้นครอบครัวถ้าเราประกอบด้วยองค์อย่างนี้คือมีพ่อมีแม่ลูก แล้วอบ อ, อุ่นอย่างมีความสุขทีนี้พ่อแม่ลูกครอบครัวอยู่ที่ไหนอยู่บ้านในองค์ประกอบของบ้านมันบอกว่าทําบ้านให้เป็นสวรรค์อย่าทําบ้านให้เป็นนรกคืออยู่แล้วอิดอัดขัดเคืองคุณข้องหมองใจพ่ อ, อไปทางแม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางพูดกันไปรู้เรื่องแล้วก็วอบรัวจะอบอุ่นยังไงท่านก็มีหลักว่า อยู่บ้านยังไงให้มีความสุขอยู่บ้านยังไงให้มีสวรรค์เป็นมอนสวรรค์ประการแรกคำว่าอยู่อันนี้ชัดเจนเลยภาษาบาลีคนว่าวิหารวิหารแปลว่าเครื่องที่อยู่ที่เราเรียกว่าวิหารวิหารที่หลวงพ่อลัฐที่อยู่ของพ่อแม่ลกูก ส, สามสามก็คือวิหารธรรมธรรมคือเป็นเครื่องอยู่และอยู่ ไม่ใช่ชั้นธรรมดาชั้นพรมด้วยสวนชั้นพรมตอนยังไงว่าพรมมวิหารสี่นี่เครื่องอยู่เลยถ้าบ้านไหนไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้หรือไม่รู้จักพรมวิหารอย่างนี้บ้านนั้นก็ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำบ้านให้เป็นสวรรค์เบื้องต้นก็คือพรมวิหารสี่เราก็จาจน บรรลุใจจำยังไงละ่ะเป็นเรื่องปกติก้อแรกก็คือเมตตาแล้วก็ความเมต翰ข้อแรกก็คือเมตต า, กก า, า, กกตาบ้านไหนไม่มีเมตตาคืออยู่ด้ยวยกันทุกคนไ ม, ม่มีเมตตาเมตตาของความรักค น, นละเรื่องอะ่าไปปนกันความรักความชังของโลกเนี่ยเรื่องตระหนัราคะมระวิถิไอ้ความเมตานความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจท่านบอกว่าบ้านไหน ที่มีเมตตาเป็นพื้นฐานถ้าเปรียนง่ายๆให้ฟังว่าก็าเหมือนกับบ้านทั้งหลังโครงสร้างของบ้านก็คือพื้นผนังหลังคาตัวมีเสาเป็นตัวยึด น, นี่คำวมาบ้านนี่ระบบโพรงสร้างของบ้านทุกคนพ่อแม่ลูกอยู่ในนี้ฉะนั้นถ้าบ้านไหนพื้นฐานไม่แน่นมันแตกมันร้าวมันรั่ว คนที่อยู่ในบ้านพอ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นก็คือบ้านไหนที่ปราศจากเมตตาอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นรอยรั่ว่าวแตกรอยแหงน้ำมันก็ซึมเข้ามาในบ้านแล้วใครเดือดร้อนกับพ่อแม่ลูกดีละเดือดร้อนเหมือนเะ็นนั้นโครงสร้างนี้นจำเป็นต้องมีทุกบ้านถ้าบ้านไหนไม่มีหรือมันเกิดบ้านไหนมีเมตตาน้อยก็รอยรั่ว อยายามที่จะอุดรอยรั่วเหล่นั้นให้มันปกติเพื่อไม่ให้น้ำฝนดินฝ้าอากาศซึมซาบลงไปบ้านนั้นก็อยู่ด้วยความเมตตาพอเมตตาเกิดขึ้นผลของมันคือมันป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันหนาวสารบัดนะคือการป้องกันถ้าบ้านนี้มีเมตตามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คนที่ทะลาะเาบาแหวงกันคือมมีเมตตาแสดงมันรั่วละบ้านเราจะรั่ว คือ ม, มันมีช่องแดดแดดมันก็นส่องเราก็ร้อนฝนตกออกมาก็เปียก น, นี่นคือช่องนีนคออ่คือข้อแรกคือเมตตากรุณาเมตตาอย่างเดียวไม่พอ ก, กรุณาความ ส, งส า, มาามสงสารคําว่าความสงสารนั่คือคิดดูเสมอว่าอยากให้เขาพ้นจากทภพโดยประการทั้งปวงตั้งใจอย่างนี้ตั้งจิตอย่างนี้คืออยากให้เขาพ้นจากทุภพ เราแปลงแอวแปลว์สงสารต้องมีความสงสารต้องมีเอ็นดูซึ่งกันและกันถ้ามีความเอ็นดูซึ่งกันและกันทีเขาสงสารมันไม่ได้ถ้าความสงสารเกิดขึ้นแม้แต่หมูหมากาไก่เราก็ทำลายไม่ได้ของสัตว์ของเลี้ยงของพวกเราทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่เราไม่ใช่ว่าจะทําร้ายมันได้หรือว่าแต่ฆ่าเลยแค่ทุบตีทรมานยังไม่กล้าเลยความสงสารเกิดขึ้นนี่คือ อ, อันนี้ทรงก็คือคิดจะช่วยขเขาพ้นทุก ให้เขาอยู่ปกติอยู่สบายต้นเรียกอย่างนี้เมตตาเขาเราียกวการุณาการุณาทีนี้พอเราพูดถึงโครงสร้างแล้วโครงสร้างของบ้านเราก็คือเอมตตาทีนี้ภายในนภายในประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยห้องน้ําห้องนอนห้องรับแขกนี่คือบ้านแต่ละหลังต้องมีทีนี้ กรุณาด้วยความสงสารก็คิดจะช่วยให้เขา้นทุกข์ซึ่งมันต้องมีบ้านไหนไม่มีไม่ได้มันก็คือห้องน้ําห้องสุขามีไว้ทําไมก็มีไว้ให้เราปล่อยทุกข์หนักทุกข์เบาแะได้ไปปลดเวลามีทุกข์จะได้ไปปลดออกคือทุกขนะ์หนักทุกข์เบานี่แหละเนี่ยที่เกิด น, นำในบางเร่องว่าคิดจะช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้น ทุกคือมีทุกข์แล้วต้องหาที่ออกที่ระบายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกก็เหมือนกับทุกข์เลยคือทุกหนักทุกเบาอยู่ไม่ได้เพราะนั้นจําเป็นจะต้องมีห้อง น, น้ําคือกรุณานี่แหละถ้าบ้านไหนไม่มีไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งนี้บ้านนั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีความปรณาดองกันนี่คือกรุณ า, นานห้องระบายก็คือมุทิตาอันนี้คือห้องรับแขก แขกไปไทยมายินดีต้อนรับหาหน้าหาท่าต้อนรับขับสู้อันนี้ห้องเราจะไม่ต้องมีเจ้าห้องรับเขกโดทั่วไปหรือห้องรวมที่เป็นพักผ่อนห้องครอบครัวหลือมุทิตาอันก็แปลว่าเราเพื่อนกัลยาณมิตรท่าทนดีก็แสดงความมุทิตาท่าทำดีจึงเป็นคำที่มาว่าอนุโมทน า, นา คำเดียวกันความหมายเดียวกันเวลาเขาอื่นเขาดีแล้ว ก, อวก็อนุโมทนานะอนุโมนาครับวัตนานะคะเนี่ยนี่คือห้องนี้แหละจิตเราต้องมีใจเราเสียห้อ ง, องก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าเป็นหัวใจของเราบอกมีเสียห้องหนึ่งนี้นต้องมีหนึง่งนี้มุทิตาคือเขาทําแล้วต้องยินดีพอจะดีเขาก็ด้วยอย่าเป็นอินชาตาร้อน แค่แสดงความยินดีก็เป็นบุญแล้วเราก็ได้บุญแล้วใจเราก็ชื่ น, นบันอันนี้คือมุทติตาทีนี้สามห้องและวสามเรื่องแลเมตตาการุณาคือห้องปลดทุกขุมุติตาก็นทีทีนี้เราเล่าแขกทั้บ้านไม่ได้เราปลดทุกข์ทั้งวันไม่ได้เราจะเป็นเมตตาอยู่ท้งวันวไม่ได้ห้องสุดท้ายคืออุปเปขา คือห้องนอนมันต้องพักไม่พักเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นบางเรื่องอะไรที่มันวางได่วางก็ ค, คือนอนเพราะเวลาคนเรานอนวางอารมณ์ข้างนอกได้หมดจะเป็นรูปเราวางได้หมดหรือแต่ข้างในตอนนะั้นคือทั้สีตัวคือเวทนาสัญญาณอกาอัญญาณส่วนที่เป็นรูปคือดิน้าไฟลมเราวางได้เนหะ็นไหมนั่นแหละคือคำว่าอเาุเบกขาจริงๆเรามีทุกวัน แต่วันไหนขณะนั้นสติเราไม่รู้จักว่าอันนี้คือเวทนาอันนี้คืออุเบกขาตอนเลยไม่เข้าใจว่าอุเบกขาคืออะไรคือการวางอารมณ์ก็คือห้องนอนนี่แหละทต่นี้วันไหนถ้าไม่มีอุเบกขาเลยสมมติว่าวันไหนไม่หลับไม่นอนเลยนั่นแหละคือเราไม่มีอุเบกขาพ้นเป็นยังไงร่างกายอยู่ได้ไหมทนได้ไหมทั้งวันทั้งคืนโดยไม่พักเลยไม่ได้คําตอบก็คือไม่ได้เพราะนะั้นถึงเวลาพัก ถึงเวลาวางก็ต้องวางเหมือนกันจิตใจเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้นวันหนึ่งสักวันสักเรื่องถึงเวลาแล้วเราวางก็ต้องวางให้ได้แม้แต่ท่าสีกันห้าของเราก็เช่นเดียวกันแต่เราไม่เคยหัดปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เลยไม่เคยเคลืนะ่อนไรู้หน้าไม่อยู่ในกระบวนการของความคิดเลยแล้วก็จะตายบอกจะวงจะวางยังไงอุเบกขานะอุเบกยังไง การสีการให้เป็นปเรื่องเวลาถอนปล่อยวางละอย่างไงถอนยงงอย่างไรปล่อยอย่างไงวางอย่างไรนึกไม่ออเพราะนัน้นถ้าไม่มีครอบอย่างนี้ถ้ามีครบแบบนี้คือแม่ตาคือบ้านบ้านไหนที่ไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยร้ายอยู่สุขสบายบ้านนั้นสุขสบายไม่เกี่ยวกับเล็ก ม, มีกับใหญ่ไม่เกี่ยวกับเาเรื่องหาคนละเรื่องกันสุขาหรือว่ากรุลนานมันจะต้องมี พ่อให้เราปล่อยเอาไว้มีทุกมันต้องปล่อยคือจิตเราต้องวานทันทีว่าอันนั้นมันทุกนะเพราะร่างกายมันบอกแล้วมันมีทุกเมื่อแล้มันไมจะปล่อยทันทีจะเรื่อว่าทุกหนักทุกเบาที่เราเอาเข้าไปนี่แหละทุกมาจากไหนทุกจากที่เราเอาเข้าไปเห็นไหมทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยเราเป็นคนป้อนเข้าไปเองได้ป้อเสร็จแล้วมันต้องออกร่างกายมันใช้แล้วมันหมดแล้วอันนี้อยู่มันก็จะขับออกมาแสดงว่า มันไม่ต้องการแล้วมันก็ไม่ขับออกมาแต่ของไม่ดีอยู่ในใจของเรารู้ทั้งรู้มันไม่ดีแต่เราไม่ยอมขับออกมาไม่ยอมปล่อยออกมาแต่จะไปโทษใครเพราะคิดเองไม่ได้ไม่เคยฝึกไม่เคยหาดไม่เคยปฏิบัติไม่อยู่ในแนวความคิดเลยจึ่งเป็นธร้มะเราไปทุกข์ขเกิดกับใครก็ขัดขัดล้องคำตอบง่ายคือทุกงปล่อยธรรมชาตินี่คือธรรมชาติมันสอนเราะธรรมชาติคือร่างกาย เพราะนั้นทั้งหมดนี้ยธรรมะทั้งหมดทั้งปว ง, งสวรรค์ชั้นไหนก็ตามใช้กับร่างกาย เ, ยเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบเป็นแนวคิดเป็นตัวตั้งเป็นโจทย์ให้พวกเราคบคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนประกอบด้วยสี่ข้อดังกล่าวข้างต้นถ้ามีครบเราเชื่อว่าอยู่สวรรค์ชั้นพรหมเพราะนี่คือพรหมวิหาร แปลว่าเครื่องอยู่ของพรมเขาเราก็อยู่ได้เราก็ทําได้ชั้นพรมเลยนะไม่ธรรมดานะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ชั้นพรมก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือยังไม่หมดไม่พน้นคือยังติดยังคล่องอยู่แม้จิตละเอียดกระดไหนรูป ล, ละเอียดกระดไหนมันก็ยังติดมันก็ยังคล่องอยู่ในพรมนั่นแหละ เป็นสัญญิภพอสัญญาภมหรือที่ว่างว่างหรือสุญญาตาสุญญากาศจิญญาตาผมก็ยังคล่องอยู่เพราะยังวางวา ง, วางรูปลียดนั้นไม่ได้เรื่องนี้พู้ศรัทธาทําให้พว้เราดูเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาในการกดจะบพุทโอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นประโยชน์นั่นคือในขณะที่พู้ศรัทธาหลังจากปรินิพานคือดับ เราลิ้นพัาภาษาเราเนี่ยกำลังจะตายจเจอการเก่าจากร่างพวกปฏิบัติอย่างไรให้พวกเราดูถ้าจะไปอ่านในมหาปริญาในศูตร์เราจะเข้าใจแต่ไม่ต้องอธิบายเป็นภาษาเรานี้ง่าเนี่ในขณนะที่พานุรุตระหรือเป็นผู้ชํานาญในเรื่องนี้ประสงค์ตลาดก็ถามไอ้นคนที่ถามก็คือคำตอบชัดเจนก็คือปุถุชนถ้าเป็น ภ, ภรรยาพระอรหันต์ท่านจะไม่ถามพราะท่านรู้อยู่แล้ว ท่านจัดไม่ถามสิ่งที่รู้อยู่แล้วแต่คนที่ถามแสดงว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามีคําถามในชีวิตเราแสดงว่าเราไม่รู้เราจึงต้องมีคําถามและมีคําถามแต่จําเป็นต้องมีคําตอบถ้าไม่มีคําถามไม่มีคําตอบเลยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีแต่คําถามไม่มีคําตอบก็รูว่ปัญหาชีวิตเราจึงมีแต่ปัญหาคือมีแต่คําถามมีแต่โจทย์แต่ไม่มีคําตอบนี่กรรมชีวิตมีปัญหา พระนั้นธรรมะนี่คือคําตอบนั้นการมาดูว่าผู้เจ้าก่อที่ผู้บริหารเป็นอย่างไรกับท่านอรุทธะท่านก็นเข้าฌานโดยเฉพาะเข้าฌานดูว่าวรารจิตของผู้เจ้าในขณะนั้นเป็นอย่างไรผู้เจ้าก็ใช้ของที่ท่านทําจนชนานํานาญตด้งนี่เป็นคารวะญาณ โ, ย, โยมคือฌานสีคือรูปประชาระรูปประชานนสมาบัติเป็นรูปประชา น, น, า ค, ชานคืออาศัยรูป คืจิตอาศัยรูปนี่คือมาอาศัยรูปเป็นข้องของรูปอารูปประชามไม่ต้องอาศัยรูปภาษาง่ายๆนี่คือใส่สตัวคือเวทนาสัญญาสักการอินญาณนี่คืออารูปเรียกวอารูปคือไม่มีรูปคือไม่สี่ตัวก็มีสนามพูดง่ายๆแต่ใช้สีตัวเพเข้ารูปประชามใจที่หนึ่งออกกันไปตอนนี้สองสามสี่แล้วกลับไปกลับมากลับไปกลัมาเก็ออกจากรูปประชานเข้าอารูปประชาน จิตเขาอารูปฌานอยู่อย่างนี้แต่เขาเอาจนสุดท้ายเกินเจตุจารย์คือชั้นที่ออกกสี่เขาเอากายรูปฌานคือไม่เอาออกพูดง่ายๆท่านวางนี่คือการวางวางทั้งรูปประฌานแล้วก็อารูปประฌานได้เพราะนั่นที่ผมที่ท่านติดอยู่อยู่ในชั้นผมก็เพราะว่าติดอันนี้แหละติดอารูปฌานติดมันยังคล้องอยู่นอนนี้แต่ไม่รู้ตัว่างว่าคล่อง คิดว่าอยู่ที่อากาศร่องๆใช่เชียวสบายไม่มีอะไรขอ้องไม่เลยเคยเล่าฟังเรื่องนี้ลูกลูกประเทศของเราติดอยู่สิบกว่าปีทำอะไรลูกูมิมันก็คืออยู่ในสภาพอย่างนั้นคือจิตมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรมันเกี่ยวมาเข้ามันสบายเหมือนก็บหมดแล้วเข้าใจตัวเองหมดแล้วเหมือนนีอะไรอยู่หลงปู่บอกว่าอันนี่คือสิ่งที่ติดอยู่เพราะอะไรเพาราอะไรยังลานสิ่งตัวนั้นไม่ได้คนที่จะไปต่อมันต้องวางได้ อันนี้คือเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราติดอยู่ตรงไหนแสดงว่าเรายังเรายังวางตันไม่ได้คําตอบง่ายคือต้องวางแม้แต่นิมิตก็ตามว่าเกิดนิมิตอย่างนี้เราจะต้องทํายังไงคำตอบง่ายคือต้องวางพิจารณาจนรู้แจ้งจริงจังความจริงแล้วก็วางแม้แต่นิมิตก็ต้องวางถ้าไม่วางไปต่อไม่ได้มันก็ติดอยู่ในนิมิตนั่นแหละจะเรียกว่ารมิตอะไรก็ตามจะเป็นรูปเป็นเสียงหรือว่าเป็นกลิ่นมันก็ชื่อว่าคล้องอยู่เราจะเรียกนี้ว่าสัตตัง แปลว่าค้องไม่ได้แปลว่าสับปสัตวสเปซสปตามือูมากระไกไม่ใช่จิตยุนสภาพอย่างนี้คล่องก็แปลว่ามันจะหาที่เกาะมาที่อยู่เหมือนจิตของพวกเราสมมติเราตายไปคือจิตออกจากร่างไปมันเหลือแค่สี่ตัวคือเวตาสัญญาส่างๆอไรแบบนี้แต่สิ่งเหล่านี้มันต้องมีรูปอยู่หมดถ้าไม่มีรูปมันอยู่ไม่ได้ก็จำเป็นต้องหาที่ตั้งเรียกจิติจิติจิตจิติวิญญาณคือต้งหาที่ตั้งของวิญญาณ มันก็อาศัยรูปรูปหยาบอาศัยไม่ได้มันก็อาศัยรูปไม่เอียดที่เกิดการนึกขึ้นมามันก็อาศัยรูปอยู่นั้นไปมันก็กลายเป็นพบภาวะเดิมพบก็คือภาพมันก็เอาภาพนั้นไปจําภาพนั้นไปก็แล้วแต่อยู่ในการมาพบรูปแบบพบอะรูปแบพบก็มีสาพบแค่นี้ที่จิตออกจากร่างแล้วมันจะไปไหนก็มีแขนถ้าไปไหนไม่ต่อกลับมาที่เดิมก็คือเนี่ยเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นมนุษย์โชคดีหน่อยโชคดีตรงที่ว่ามนุษย์เรานั้นเป็นที่สร้างบาปนี้ะฉะนั้นพวกเราจึงจำไว้เลยเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ตือว่าโชคดีที่สุดพบอื่นมิติอื่นเป็นอย่างเราไม่ได้ทําอย่างเราไม่ได้เพราะเขามีแค่ขั้นสี่ขันหนึ่งไม่ได้มีขั้นห้าอย่างพวกเราไม่รู้สึกความเจ็บปวดร้อนแรงความรักก็จะไม่มีทุกอย่างสูญเร็จได้โดยการอธิษฐานโดยการนึก ด้วยกันคิดก็สําเร็จแล้วแต่พวกเรามมีทุกอย่างเย็นดนอนอร่อยสบทุกสารพัดอยากดีมีจนสัตว์เอลรานโอเห็นทุกอย่างเลยแต่ประเด็นของเราคือเห็นสิ่งเหล่าดีแล้วไม่เกิดปัญญาทํำไมเราเห็นว่าโอเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายดีบางทีก็ครบเอาไว้ครบเหมือนเราบางสัตว์เป็นสัตว์แท้ๆเอาไว้วเยอะไม่ครบเลยเขามีสีข่ขาก็เหลือแค่สองขาอะไร น, นา่นนี้ยังลําบากคนก็เหมือนกัน กลับมาอีกทีทแทนมีครบเหมือนกันไม่ครบบันทิขาดหายไปเลยเหลือแต่แขนเห็น ไ, ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าศีลศีลนัมนบริสุทธิ์บริบูรณนกลับมาบาิทีเป็นอย่างนี้อันนี้สำคัญเพราะนั้นผู้จะออกจากที่นั้นก็ออกถ้าออกแล้วก็ดับละจิตท่านไม่ไม่คล่องไม่แวะไม่ติดอยู่เตยงนี้ง่ติดทั้งรูปและนามท่านจะเรยียกว่าอะนัตตา มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่เรว่าสบัดอะไรไม่ได้แต่มันไม่สามารถจะเรียกตัวเรียกตนได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนมืออากาศจะเรียกตอนได้ไหนแต่เวลาสัมผัสรู้ไม่รู้เนี่ยคือความหมายก็ว่านิพพานะคือดับคำว่าดับหดับอย่างนี้ที่ถามมันเป็นรูปนางมาตาเป็นยังไงถ้าใครไม่เป็นไม่รู้แต่ใครไปสบัดก็ไปรู้เหมือนอากาศเย็นๆแต่ใครไม่โดนก็ไม่รู้ถ้าใครโดนแล้ใครสบัดคนนั้นจะรู้เอง ปัจจิตตังเป็นความรูเองโดยเฉพาะอันนี้คือสารธรรมสําหรับฝากเราค่ํางคืนวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเสิ่งเหนี้ไโอก็ในโครนน้องก็หาวั น, นี้มันเกิดของพ่อเรานะพ่อเราเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์บริบูร ณ, รรณ์ดีที่สุดในโลกไม่ใช่ในโลกเดียวสามเด่นโลกกระทำเป็นคนที่ต้นแบบตัวอย่างเพราะนั้นเมื่อยึดเอาท่านเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่า ง, าาแบบางก็ยึดพ่อนะยึดแม่นะเราต้องเป็นลูกที่ดีนะ ลูกที่ดีต้องสร้างบ้านให้ครบทั้งเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอย่างนี้ครบบริบูรณ์อย่างนี้ถึงแม้เราจะยังไม่หมดในพ้นเราก็อยู่แบบไม่ลําบากไม่ดื่ดร้อนไม่เอืก็คือไม่มีปัญหาแต่บ้านนั้นไม่ครบอย่างนี้คุณรัฐบาลพ่อก็ไม่ฟังแม่ก็ไฟังลองนึกภาพออกดิลูกบ้านไหนพ่อพูดกันแล้วแม่พูดกันแล้วจะเป็นยังไงก็คงไม่ต้องอธิบาย เพราะนั้นในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นลูกหลานเดินโลนเป็นพุทธวงศ์คือวงของพรนะพุทธเจ้าให้ฝั่งพ่อนะคือพระพุทธเจ้าฝั่งแม่นะคือพระธรรมฝั่งโลกของท่านนะคือพระสงฆ์พร ะ, พระสงฆ์ต้องเน้นพระอริยสัจคืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ใช่พระอริยสัจก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอ บ, ด, บ ด, ดูตรงไหนก็ดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดูยังไงดูตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้น นี่คุณสบัดของพ่อเราให้เอาคุณสบัดของพ่อเราเนี้่คือหนึ่งประกอบด้วยพระปัญญาที่คุณคนมีปัญญาพระบริสุทธิ์ที่คุณจริงใจบริสุทธิ์ใจร้อยเร์เซไม่มีอะไรเจือปนเพราะปัญญาทีคือบริสุทธิ์มหากราี่คุณคือความสองสารความเมตตาเต็มเตี่ยมอยู่ในจิตอยู่ในใจไม่เลือกข้าไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกญอาติโกหกติกาเท่ากันหมด คือรักทุกคนเหมือนกันบคือสเปสตางเนี่ยนี่คุณสบายของพ่อเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาน้อมเรารดถึงคุณของพระองค์เพื่อนพระครูอภิเสษกที่วันสําคัญในวันนี้ในฐานะที่เราก็เป็นลูกหลานมันเป็นพุทธวงศ์งของผู้จุจ่าขึ้นมาเราว่า้ยงรดถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หญู้คนทั้งหมดเราก็เชื่อเป็นลูกที่ดีอย่างน้อยก็คือการแสดงความกตัญญูกตาวทีอย่างนึกอย่างราลีน้นึกถึงท่านได้ ปีเราไม่กี่ครั้งก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีอยู่แต่ถ้านึกไม่ออกเลยเโอ้ลาบากอันนี้คือสารธรรมสําหรับฝากพวกเราค่ําคืนวันนี้ระหว่างเป็นอย่างจริงบาถ้าเราได้ยินไปต่างแล้วโอ้โรอกระดิกโกเนาะกาตเองคําไม่ดีคําประโยชน์ไม่กี่ประโยชน์วลีไม่กี่วลีถ้าเราไปคิดพิจารณาแล้วไปทําต่อไ ป, ป, ไปต่อเอยมันจะเป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งมีแค่สามสี่คำเช่นแมตาามตาการุณาบุญตาแต่นะเข้าใจแล้วโดยภาพรวีแค่ออกไปใช้เท่านั้นเอง มันก็จะเป็นประโยชนต่อองเราอย่างมหาสารก็ขอแอบอ้างอิงคุณของพระราตรีใจคือคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอุโยงคุณของวิวคุณทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็ น, รปรนรปรฐฐธรรมะปัจเจกภพของกองเวรและแก้มเราอาไัผู้ปฏิบัติธรรมคือข้าววัจํานังสันสิงห์พานาคือให้มีความสุขความเจริญจริงๆความสุขวันไี่นีหรอก แต่จะบอกไม่ยุ่สุขไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแต่ว่าเรามีความเจริญแ้วกันอยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้ความความเจริญเจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด